ท่านบางที่รบคาท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการสรนสานิสนทนากันอีกแล้วนะคะในช่วงที่สองค่ะเดี๋ยวเรากําลังจะพาท่านฟังทั้งหลายไปพบกับพระภัยบุญอภิปุลโนจากวัดป่าดอนายโศกอุดรธานีมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธว จ, จนะและได้นําเอาพระสูตรที่สําคัญมาสนทนากับท่านในช่วงของการเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ปีพระพุทธเจ้าร่วมกับคนอื่นๆ ด้วยการเข้าถึงธรรม้นมส ก, การคกะท่านคะเชิญพานค่ะทีนี้ดิฉันเชื่อว่าถ้าใครที่ฟังเมื่อวานแล้วเป็นผู้ที่กําลังพยายามปฏิบัติอยู่อาจจะสงสัยที่จะกรับเรียนคำถามต่างๆท่านโดยเฉพาะติดตามคำถามที่ดิฉันได้ตั้งประเด็นไว้ก็จะกรับเรียนถามท่านว่าจะให้ถามต่อเลยหรือว่าท่านคิดว่าอยากจะพูดถึงเรื่องของเรื่องควรคํานึงถึงธรรมะของพระพุทธองค์ เพื่อ<ข>เฉลิจฉลองพุทธชยานตรีก่อนคะ่ะก็จะขอพูดเรื่องพุทธเชียนตรีนิดนึงตรงนี้เห็นเพราะมันสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าที่เราพูดกันเมื่อวานนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาใช่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยเชี่ยวชาญในเรื่องของธรรมะมากโดยการตอบคําถาม น, นี้ไม่ต้องเตรียมไว้ก่อนเนี่เหมือนกับช่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบพระองค์เหมือนกับช่างช่างรถอย่างเงี้ย ช่างรถที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์ของรถมากตรงนี้เป็นหัวเทียนตรงนี้เป็นคา บ, บูเรเตอร์ตรงนี้เป็นอะไรเป็นอะไรส่วนอะไรรู้หมดโดยที่ไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนก็สามารถบอกได้แก้ไขได้ตอบได้ชั่วร์วหมดเลยค่ะอ่าก็ก็เป็นความคมของผู้เชี่ซึ่งสาวกอื่นจะทําไม่ได้ขนาดนี้ค่ะอย่างงี้นะอย่างอย่างคนที่ไปเป็นลูกมือเขาเรียกว่าเป็นช่างซ่อมรถอย่างเงี้ยคุณต้องฝึกเป็นปีนะกว่าคุณจะมีความเชี่ยวชาญในการซ่อมรถทุกประเภทนะ ไม่ใช่ง่ายๆนะอืม ซ, ซึ่งของเป็นความมาเป็นผู้เช่าก็ต้องเป็นหลายๆเอาสงไข่แหละถึงจะมาเป็นระดับนี้ได้ค อ, อืก็ถ้าเผอเรามีผู้เช่าปรากฏขึ้นมาแล้วองค์หนึ่งในโลกเนี่ยอุ้ยมันยากมากจริงคุณโยมแต่ยากอุ้ยเหมือนกับเต่าน้อยตาบอดที่พยายามควานหาแพน้อยที่ลอยอยู่บนทะเลเนี่ยนะครับมันยากขนาดนั้นหละ่ะเพราะฉะนั้นในเมื่อเรามีพระผู้เจ้าแล้วเนี่ยเรายิ่งต้องปฏิบัติ แล้วพอปฏิบัติแล้วเราเจอปัญหาอะไรต่างๆอย่างที่คุณโยมติ๋วเจอแล้วเนี่ยเราจะต้องทําการศึกษาและแก้ไขให้ได้ค่ะงั้นก็เท่ากับว่าให้ทุกคนตระหนักใช่ไหมคะสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นบุคคลผู้เลิศแห่งโลกทรงเป็นธรรมราชาไม่ว่าใครจะถามอะไรไม่ต้องถามล่วงหน้าว่าประเด็นคําถามที่จะถามมีดังต่อไปนี้แล้วพรุ่งนี้จะมาถามนี้ไม่มีอไม่ต้องเตรียมการไว้ก่อนถามปุ๊บตอบได้ปั๊บเลยตอบได้ปับ๊บคล้ายคล่องมาก ดังนั้นขอให้รู้อีกอย่างหนึ่งว่ากว่าจะเกิดมาเป็นคนก็ยากกว่าที่จะได้พบพระพุทธเจ้าก็ยาก<ช>กว่าที่พระธรรมของท่านจะยังอยู่ก็ยากวันนี้ได้มาพบพร้อมสามสิ่งด้วยกันแล้วนะคะและยังได้พบพระพุทธเจ้าผ่านทางพระธรรมที่ท่านตรัสเอาไว้ว่าให้เป็นาศาสดาแทนตัวของพระพุทธองค์ไม่มีไม่มีอะไระที่จะโชคดีไปกว่านี้แล้วแหะคุณชมเตีวใช่ค่ะ ม, มันเป็นปัจจัยที่มาประกอบพร้อมกัน ครบก็เรยะครบร้อยคะครบองค์ประกอบครบองค์ประกอบธรรมะจะเรียกครบอะไรคะก็จะเรียกว่าประจวบพร้อมดิฉันไม่ต้องถามท่านพิบูลตลอดเลยเพราะว่าท่านฝังค่ะดิฉันมักจะชอบพูดอะไรที่เป็นภาษาที่ไม่มีในพุทธวจนะบ่อยมากเช่นเนี่ยเช่นสิ่งที่กำลังจะกล่าวเรียนถามท่านพิบูลต่อไปนี้ใช่ครับก็คือดิฉันสงสัยว่าอาการคันในขณะที่ เรานั่งสมาธิหรืออาการประหลาดๆที่ปรากฏแล้วมันจะปรากฏเฉพาะตอนนั่งสมาธิเนี่ยเป็นสภาวะธรรมหรือเปล่าอ่าถามหลังใหม่ไปแล้วตอนนี้ถามหน้าใหม่เลยว่ามันเป็นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรเหรอคะคําว่าสภาวะธรรมเนี่ยจริงๆไม่ใช่พุทธประะนะถ้าเราไปเสิร์ชดูโปรแกรมเนี่ยคือจะไม่ไม่ใช่พุทธประน ะ, น ะ, ะนะแล้วมันคืออะไรอย่างสมมติเราคารันเรา พิษฟุ้งซ่านต่างๆนี่คือการปรุงแต่งทางกายหรือว่าการปรุงแต่งทางจิตได้ทางนั้น อ, อ, อย่างเช่นว่าบางคนนั่งสมาธิไปเนี่ยเกิดความรู้สึกเหมือนตกเหวนั่นการปรุงแต่งทางจิตบางคนครู้สึกเหมือนตัวหนักๆเหมือนลอยขึ้นเหมือนเอ็นหลังนี่คือการปรุงแต่งทางจิตทั้งหมดบางคนรู้สึกเหมือนคันหน้ามดมาไต่นี่คือการปรุงแต่งตทงางกายถ้าเราดูถึงอนาปนาสติสูตรเนี่ยพวกนี้คือพวกนี้ทั้งนั้นเลยนะเราจะทํำยังไงวิธีคือยังไม่ต้องพูดถึงอะไรแก้ แกเกิดอะไรอย่างยกไว้ก่อนน ะ, ะ, อะมันเป็นธรรมชาติอย่างนี้เท่านั้นเองที่มันมีการปรุงแต่งไปได้คือให้เข้าใจว่าหากเกิดอะไรอย่างนี้ขึ้นมันไม่ได้ผิดปกติ ม, มันเป็นเรื่องธรรมชาติถูกไหมคะถ้าธรรมชาติไม่ควรจะตอบว่าเป็นปกติได้นะคะถูกต้องถูกต้องอแล้วจะทํำไงให้มีสติในลมหายใจเข้ามีสติในลมหายใจออกพวกที่เขานั่งสมาธิแล้วก็บ้าไปเพี้ยนไปเนี่ยนะเพราะเขาไปตาม อย่างพวกที่ทรงเจ้าเข้าทรงเนี่ยถูกผีสิงผีเข้าพวกเนี้ยก็เพราะเขาไปตามสิ่งที่เข้ามาแตนะถ้าเราไม่ตามเราฝืนแล้วนะเราอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวไปไหนเราไม่ไปเราให้จิตเราตั้งมั่นอยู่ที่นี้นะราลึกถึงลมหายใจยเรื่อยนึกถึงลมหายใจเรื่อยมันจะไปใช่ไหมนึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยมันจะไปคันใช่ไหมนึกถึงลมหายใจอยู่เรื่อยเราจะผ่านไปได้เท่าไปร่บุญคะทีนี้มีผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบตัติก็มาแลกเปลี่ยนกันอื บางคนเนี่ ย, น เ, นยเขาก็บอกเขามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะไม่ใช่อาการเดียวกันนะคะเขาเขาอาจจะมีอาการปวดมากเลยปวดจนแทบจะตายทนไม่ได้จะนั่งต่อไปไม่ไหววิธีที่เขาผ่านมาได้ของท่านบอกว่าให้มีสติอยู่ที่ลมหายใจในะค ะ, ะแต่ว่าวิธีของบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เอาจิตไปอยู่ ตรงที่มันมีอาการนั้นเช่นสมมุติเกิดมีอาการขัดเนี่ยให้เอาจิตไ ป, ไปอยู่ตรงนั้นในเรื่องเดียวกันไหมคะเออมันมันได้2แบบเลยเออคือหมายความว่าถ้าเราเอาจิตไปอยู่ตรงที่มีปัญหาเนี่ยแล้วเราเห็นความเป็นของไม่เที่ยงของเขาความจางคลายความดับไ ป, ค ว, บไปความเป็นของปรุงแต่งเนี่ยแล้วคุณวางได้อันนั้นจะดับไปนก็จะกลายเป็นผู้ที่ทําการปรุงแต่งของจิตให้ระงบับทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับได้อันนี้คืออันที่หนึ่งหรือ อันนี้คือแบบใช้วิธีเขาเรียกว่าทุกขาปฏิปทานนะทุกขาปฏิปทา ค, คือคุณต้องไปทนอ่ะคุณคต้องไปทนแล้วคุณต้องเห็นตามที่เป็นจริงนะหรือวิธีที่สองเราใช้วิธีสุขาปฏิปทาแตค่คุณเข้าสมาธิลึกเลยเข้าสมาธิให้ลึกขึ้นไปโดยไม่ต้องสนใจสิ่งนั้นค่ะก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นสุ ข, ขาปฏิปทาก็เท่ากับว่าท่านกำลังจะบอกว่ามันมีหลายวิธีมีสองวิธีอ้าวเหรอคะ ใช่ดิฉันรู้ว่ามากกว่าสเนี่ยนึกว่ามีเจ็วิธีเลยนะคะเนี่ยคือคือวิธีเนี่ยมันมีอยู่อยู่เขาพูดว่าไงกระบวนการเนี่ยมีอยู่หลายกระบวนการแต่ว่าวิธีมีอยู่แค่สองวิธีเข้าใจไหมอ่างั้นเดี๋ยวดิฉันพยายามจะทําความเข้าใจว่าหรือพูดงี้ถึงจะถูกดีกว่านะว่ามีอยู่แค่สองกระบวนการแต่ว่าวิธีปฏิบัติเนี่ยมีอยู่หลายวิธีปฏิบัติอ๋อมีกระบวนการในทางที่ทุก กระบวนการในการที่สุกใช่ไหมคะมีแค่สองสองกระบวนการท่านใช้คําว่ากระบวนการทําไมไม่ใช้คําว่าวิธีคะท่านก็เพราะว่าอย่างบางคนเขาใช้พุทโธบางคนเขาใช้อานาปาร์บางคนเขาใช้อะไรอะลูกแก้วบางคนเขาใช้ยุบหนอะพองหนอมันก็หลากหลายวิธีนะแต่กระบวนกา ร, รมันก็จะแก้ทํากายให้ระงรับทําจิตให้ระงรับถ้าเราพูดถึงอนาปารสติสูใช่ไหมคุณใช้ลมหายใจอุ้ยไปอย่างไปพูดเลยลมหายใจยังมีอีกสี่แบบ กายก็ได้เวทะนะก็ได้จิตก็ได้ทำก็ได้คมันก็จะมีหลากหลายเพราะฉะนั้นเดี๋ยวที่ฉันจะพยายามถามแทนทั้งฝั่งนะคะแล้วจริงๆก็ถามแทนตัวเองได้ละคือถ้าสมมติว่ามันเกิดกรณีมีการปรุงแต่งทางกายทางจิตอันนี้เป็นภาษาพุทธวจนะถูกไหมคะถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาอืต้องทําความเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วอย่าไปตกใจให้มีสติ ที่จะดำเนินกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ว่าจะเป็นด้านสุขหรือด้านทุกถ้าเป็นด้านทุกสมมติว่ามันคันมากตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งให้เห็นตามความเป็นจริงคือให้ดูว่ามันจะคันไปถึงไหนอย่างนั้นหรอคะให้ดูว่ามันไม่เที่ยงให้ดูว่ามันเป็นของปรุงแต่งเป็นของอาศัยเกิดนเกิดขึ้นมีความสิ้นใบเป็นธรรมดามีความจางกลายเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดา อดิฉันเข้าใจว่าคนทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะอืหรือไม่ได้ศึกษาครูบาอาจารย์อ่าแบบนี้ก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเอาจิตไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยไปอยู่อย่างไรแต่ทําไมเขาถึงเขาถึงหายเขาเอาจิตปักไปอยู่ตรงนั้นเลยอืมดิฉันถึง อ, อยากทราบว่าเอ๊บางทีเขาอาจจะปักไปอยู่ตรงนั้นโดยไม่ได้มองความไม่เที่ยงมองหรือว่ามองมองไปมันเห็นเองคะ ที่เขาจะสามารถมันดับไปหรือว่าปล่อยวางได้เนี่ยนะคือคื อ, อยังคื อ, อยังน้อยจิตเนี่ยมันน้อมไปคือเขาอาจจะไม่สามารถกําหนดบทเพียนชนะหรือการกําหนดบทเพียนชนะเขาอาจจะจะเหมือนเป็นระดับที่เขาพูดออกมานะซึ่งซึ่งก็ระจะ จ, จะถูกหรือิดเราก็ไม่รู้แต่ว่าอาการของจิตเขาก็ต้องเป็นลักษณะนี้แน่ตามบุตรวจนะงั้นดิฉันเข้าใจว่าในลักษณะทุกขาทุกขาปฏิปทาเนี่ยอ ม, มันจะต้องเป็นเป็นในลักษณะที่ถ้ามันเป็น การปรุงแต่งในเชิงที่เราไม่ชอบอะ่ะไม่สะดวกสบาย อ, ะอ่ะไม่ไม่พึงพอใจอไม่ได้มีสุขวิหารธรรมใช่ค่ะ อ, ะอะก็ให้ทนถูกไหมคะก็ต้องมีความอดทนถูกต้องให้ทนดูตรงนั้นจนกว่าจะเห็นมันว่าวิวัฒนาการเป็นอย่างไรต่อไปอืให้ดูมันไปจนกระทั่งมันดับอือเพราะฉะนั้นบางทีถ้ากระบวนการมันนานกระบวนการแห่งการปรงุงแต่งมันนานหรือบางทีมันมากขึ้น อ่าแต่ทำํำยังไงพอแค่ไหนควรพอเดี๋ยวทนต่อไปมันอาจจะแย่ yeah! อะไรเงี้ยมีไหมคะคือคือทนเนี่ยถ้าเกินสามนาทีต้องเลิกทนแล้วคือทนยังไงยิ่งทนยิ่งดีแ น, น่นอนบุคคลในธรรมะวินัยนี้จะเป็นผู้ที่งดงามอยู่ได้ด้วยความอดทนแต่เพราะฉถ้าเราเป็นคนอดทนเนี่ยเราดีอยู่แล้วอ่า <Okay. S 2> เรื่องคันท่านี้เองจะยกมือขึ้นมาเกาเราอดทนไหมคุณจะงดงามางจริงๆนะคือคุณนั่งสมาธินิ่งๆโดยที่ไม่ต้องเก่าไม่ต้องจับหูจับหูบจับจมูก ดีฉันชอบประโยคนี้มากบุคคลในธรรมนี่ไหนนี้แต่ภิกษุในธรรมวันนี้จะเป็นผู้งดงามอยู่ได้ค่ะด้วยขันติและโสระจะอระคันติคือความโอดทนสระจักะคือความสงบสงี่ยมอืมอืมค่ะโสระจะสงบส ง, เงีเหมโอ้ก็เรายังอยู่ในรายละเอียดของของการปฏิบัติทุกขากขารปฏิบปทาปฏิปทาคือ คนเห็นตามความเป็นจริงไปมันสุดท้ายมันจะต้องเห็นถึงความไม่เที่ยง <c oughs> เห็นความจางคลายเห็นความดับถูกไหมคะคืออย่างนี้คุณยมติวประเด็นที่สําคัญจริงๆเนี่ยคือเราต้องมีสติประเด็นที่สําคัญจริงคือเราต้องมีสติย้ำอีกทีหนึ่งนะสติในที่นี้คุณจะมีสติตรงที่คุณคันก็ได้หรือคุณจะไม่มีสติกับลมหายใจก็ได้คุณก็เลือกเอาถ้าคุณมีถ้าคุณไปมีสติตรงที่คุณคันนะก็ต้องจำไว้ด้วยนะคุณต้องเห็นความไม่เที่ยงนะไม่งั้นคุณจะอดทนไม่ได้ มไม่งั้นจะปล่อยวางไม่ได้อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของทุกขารปฏิปทาอยั ง, อยงไงก็ต้องมีสติโอ้งั้นสู่ขาปฏิปทาคือเห็นลมหายใจถูกไหมคะใช่ก็ต้องมีสติอยู่ดีมีสติอยู่ในลมหายใจใช่แล้วก็อย่าลืมว่าต้องเป็นผู้ที่มีขันติมีสรุสรจจะสุรจจะคืออะไรนะคะคือความสงบเสงเเหนมะนะคะคือต้องมีความอดทนมีความสงบสงเเหนมแล้วท่านจะเป็น ผู้ที่เป็นบุคคลในธรรมวินัยนี้ซึ่งงดงามอยู่ได้ด้วยคุณธรรมขันติและโสรัจักดิฉันเองขันแตกไปแล้วขออภัยขอโทษมากไหมนะคะคือคือคือที่เราต้องการเนี่ยคือกายให้สงบระงับนะจิตให้สงบระงับนะถ้ากายระงับจิตระงับมีสติอยู่ก็ต้องมีสติอยู่เหมือนกันนั่นแหละมันก็ก็เป็นอย่างนั้น ทีนี้ถ้าเรื่องกายภาพบางทีมันอาจจะมีการปวดอาการอะไรก็เป็นเรื่องของกายภาพนะเรายังไงเราก็ต้องมีสติอยู่ถ้าเราจะเปลี่ยนถ้ า, าจะคันจะเกาคือถ้าคุณจะเกาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาคุณมีสติไหมเอามือขึ้นมาคุณเกามีอย่าให้จิตมีความาไม่พอใจหรือว่าความทอแท้ใจความกังวลอะไรอย่าให้มีอันนี้ก็จะถือว่าโอเคอยู่เปลี่ยนอิริยาบทได้แต่ต้องเปลี่ยนอย่างมีสติกต้องแต่ถ้าจะให้ดีต้องทนก่อน ทนก็ใช่ให้กายระงรับนะคะต้องทนต้องสงบสงีมก่อนแล้วถ้าไม่ไหวจริงๆ จ, จงมีสติและเปลี่ยนอนริยาบถได้คืออย่างอย่างกรณีของทนเนี่ยน ะ, ะในขณะที่คุณจะเอาไปเกาเนี่ยหรือเกาแล้วเนี่ยคุณก็ยังจะต้องมีความอดทนอยู่ดีค่ะนะอันนี้หมายถึงว่าเวลาที่เราจะอดทนอะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งเนี่ยคุณจะทนได้หรือไม่ได้คุณก็อยู่ที่ฉันทะความพอใจ จนกว่าจะผ่านไปได้เมื่อวานนี้ดิฉันจำได้ว่าท่านพูดในทํานองนี้เมื่อไหร่มันจะผ่านไปได้ครัท่านคะหรือเราจะรู้ได้ไงว่าเราผ่านไปได้แล้วต้องขึ้นชานไหนอย่างไรคะอ๋อจะรู้ได้ไงว่ามันผ่านไปได้ใช่ไหม<ช>คือเราปล่อยวางได้เนี่ยหรือจะต้องทนไปแค่ไหนอีกนานไหมอะไรอย่างเงี้ย <laughs> มันจะมาเรื่อยๆแล้วก็มันจะมาหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะ ห, หนักขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยหมายความว่าข้อสอบของเราก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นไปเรื่อยๆหนักขึ้นหนักขึ้นเนี่ยหมายความว่าอจะมีข้อสอบที่มันมันพอเหมาะพอสมกับความสามารถของเราอย่างถ้าคุณโยมติ๋วเงี้ยไปทําเลขอนุบาลหรือว่าเลขปฐมเนี่ยโอ้ยมันคนละชั้นกันแล้วชั้นเหนือกว่านั้นมากมันมันจะเรียกว่าไม่ท้าทายไม่สนุกอ่ะไม่ร่าเริงในธรรมละซึ่งข้อสอบที่มาแต่ละครั้งก็จะทําให้เรามีประเด็นตรงเนี้ยมาคุยกันได้ค่ะค่ะ การผู้ปฏิบัติทั้งหลายพยายาเนื้อหูฟังเลยนะครับพรุ่งนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านจะตั้งคําถามเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติกับท่านไพิบูร์ประกอบกับเรื่องประศุหรือเรื่องของพระพุทธเจ้าที่เกี่ยวกับพุทธาเชียนติแล้กันนะคะวันนี้น้องราชการขอบพระคุณท่านพิบูลน์พยายามนิ่คงค่ะเจวหานค่ะท่นฟังที่ครบค่ะก็เป็นเรื่องที่ผู้ที่ต้องการเข้าถึงธรรมต้องไประสบการปฏิบัติกันทุกคน และการปฏิบัติของท่านนั้นก็จะมีประสบการณ์ซึ่งเป็นเฉพาะตนแตกต่างกันไปหรืออาจจะเหมือนกันอาจจะคล้ายกันท่านมีโอกาสที่จะตั้งคำถามนะคะมาที่พีวธรระ .com/106 หรือจะถามทิ้งไว้ที่เบอร์เดียวกับที่เราแจกหนังสือพุทธวจนะที่ท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ ป, ป, ประปปงแจกมาให้ก็ได้ก็คือ022690006ค่ะ รายการนี้สันนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันนีนฐาาพงษ์ทางสถานีวิทยุเอเอ็มครอบครัวข่าวร0อยกนะคะก็ต้องลาท่านฟังกันไปก่อนเพื่อพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้พร้อมๆกับพุทธวั จ, จนะที่จะมานำความสวัสดีให้กับชีวิตของท่านพุทธวั ส, สวัสดีค่ะ